จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันรรมัดสวรรวันฟังธรรมวั น, รรวนเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เพราะมีการกระทาที่ทำให้เกิดความเป็นเสริมุงคลขึ้นมาเช่นการทำบุญต่างบาตรถวายสังฆทานสมาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและการฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการเลนนับธรรมรวันัง เอตมัมลองกาลมุตตะังการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นการตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมนั้นจะได้รับอนิสงส์อยู่5ประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อฟังซ้ําอีก ก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลบดับ 3. จากกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ 4. ทํทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องทําทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คืออนิสงฆ์ห้าประการด้วยกันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งสาหรับผู้ฟัง เพราะว่าจะทำให้จิตใจมีความสุขดับความทุกข์ทั้งปวงได้การที่เราจะรับอนิสงส์จากการฟังธรรมได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องฟังด้วยจุดจิตใจที่จดจอ่อและกายวาจาใจที่สงบคือกายไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดอะไรใจไม่คิดเรื่องต่าง ให้มีการจดจ่ออยู่กับการฟังอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามากระทบกับหูแล้วพิจารณาตามไปก็จะได้อานิสงส์ทั้ง5ประการอานิสงส์ข้อที่หนึ่งที่ที่แสดงไว้ว่าจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สัตย์สัลุขึ้นมาด้วยพระ อ, องค์เองไม่มีใครรู้ความรู้อันนี้มาก่อนไม่มีใครที่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่มีใครรู้มาได้ก่อนนั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์แรกหลังจากนั้นแล้วพระ อ, องค์ก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สาธุชนพุทธบรษัท เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้รู้ความรู้อนวิเศษนี้ความรู้อันวิเศษนี้คืออะไรที่ไม่มีใครรู้ก็คือสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ และผู้ที่เห็นตามความจริงนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะจะไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้เป็ น, เ ป, นเป็นของเราเป็นตัวเราเมื่อไม่มีความยึดมั่นก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามความจริงนี่คือ ความจริงที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าน่าจะไม่รู้ถ้าไม่ได้มาฟังเท็จฟังธรรมก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนถึงแม้จะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างก็ตามถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังจะไม่เห็นความจริงอันนี้และจะไม่เห็นประโยชน์คุณค่าของความจริงอันนี้ เพราะถ้าผู้ใดรู้และสามารถปฏิบัติตามความจริงอันนี้ได้ผู้นั้นจะอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับสิ่งต่างๆไปกับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ความทุกข์ของพวเรานั้นเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงอันนี้เลยไปหลงยึดติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราเช่นร่างกายเราก็หลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ไม่เคยดูเลยว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงหรือเปล่า ร่างกายของคนทุกคนนั้นเป็นอย่างไรก็มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายกันไปพอตายแล้วกลายเป็นอะไรไปก็กลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็คือใจผู้รู้ ผู้คิดผู้มีความรู้สึกใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายและไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่ ง, งตา่างๆที่ใจมาครอบครองเป็นเจ้าของชั่วคราวแต่เนื่องจากไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าจึงหลงไปยึดติดว่าเป็นของตนเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรา พอเกิดความยึดติดแล้วก็จะเกิดความอยากให้สิ่งที่เป็นของเราเป็นตัวเรานี้อยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดไม่ให้เสียหายไม่ให้เสื่อมโซรมไม่ให้จากเอาไปแต่ความจริงของสัพเพ昙านตานั้นก็แสดงไว้แล้วว่าไม่มีใครที่จะไปห้ามสิ่งต่างๆหรืออยากให้เป็นหรืออยากจะให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของตนได้สิ่งต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยเขามีเกิดและมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเหมือนกันหมดคือไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็มีการดับเป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครไปสั่งให้เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเสมอเช่นร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมา จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดไม่มีใครสามารถมายับยัง้งมาสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้มีคนมาเกิดในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานเมื่อเกิดแล้วทุกคนก็แก่ทุกคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกคนก็ตายไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร้ แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พุทธบริษถ้าพุทธบารุษน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ปล่อยวางความทุกข์ต่างๆได้ปล่อยวางความอยากต่างๆได้แต่การที่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีการปฏิบัติคือจะต้องมีกำลังที่จะต่อสู้หรือทำลายความหลง ที่คอยหลอกคอยล่อล่คอยสั่งให้ใจไปยึดติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าใจยังไม่มีกําลังที่จะดับความหลงได้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้เนื่องจากใจไม่มีกําลังแต่สําหรับผู้ที่มีกําลังแล้วคือเป็นผู้ที่มีสมาธิแล้วนี้ เวลาฟังธรรมก็สามารถที่จะดุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังที่ปรากฏมาในอดีตในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เนื่องจากใจของท่านเหล่านั้นมีสมาธินั่นเองมีกำลังที่จะสามารถดับความความหลงได้ ดับความอยากได้ดับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้สามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในขณะที่ฟังทำเลยนะเพราะว่าผู้ฟังก็พร้อมมีกำลังที่จะปฏิบัติตามผู้แสดงก็แสดงหลักธรรมที่เป็นความจริงเมื่อน้อมเอามาปฏิบัติก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้เลยดังนั้นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายังไม่สามารถตัดความอยากตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆได้ยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราได้เราก็จำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิก่อนทำใจให้สงบให้รวมลวงเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกตารม ให้สักแต่ว่ารู้ให้แยกให้แยกออกจากร่างกายชั่วคราวให้ทําทํากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้สงบระงับชั่วคราวถ้าเวลาจิตรวมแล้วจิตจะเห็นความแตกต่างจากการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความสงบจะเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความสงบของใจนี้เองและที่นันก็จะเห็นว่าในขณะที่สงบนั้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยพอตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่ตายอย่างถาวรจะตายอย่างถาวรได้ก็ต่อเมื่อ ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วมาเจริญปัญญามาพิจารณาสัพเพธรรมานัตตาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีถ้าเห็นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วใจก็จะปล่อยวางความอยากปล่อยวางอุปทานเพราะเห็นความจริงแล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของมาใช้ของของผู้อื่น ม, มาใช้เราก็รู้ว่าของชิ้นนี้ไม่ใช่ของเรา เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเอาไปคืนเจ้าของเขาเราไม่ยึดติดกับของที่เรายืมมาเมื่อเราเอาไปคืนเราก็จะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากคืนเจ้าของเขาไปเวลาเจ้าของก็มาทวงเอาไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจ นี่คือธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆที่ใจคือผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้มารับรู้มาครอบครองไว้ชั่วคราว <c oughs> เช่นร่างกายอันนี้ใจเป็นผู้มาครอบครองในขณะที่จเจริญเติบโตอยู่ในท้องของของแม่และหลังจากที่คลอดออกมา ใจก็เป็นผู้ควบคุมสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เนื่องจากใจไม่มีใครสอนให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใจเป็นสมบัติชั่วคราวก็เลยเกิดความหลงไปยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเวลาร่างกายเป็นอะไรไป ใจก็เกิดความตกใจเกิดความกลัวเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่อำนาจของความหลงทําให้ใจทุกข์ไม่ใช่อะไรที่ทําให้ใจทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ได้ทําให้ใจทุกข์การพัดพรากจากกันนี้ไม่ได้ทําให้ใจทุกข์แต่สิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความหลงหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆ พอเกิดการพัดพลาดจากกันขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะไม่อยากให้จากกันนั่นเองเวลาชอบอะไรมีอะไรก็อยากจะให้อยู่กับตนเองไปตลอดไม่อยากให้จากตนเองไปแต่นี่เป็นการฝืนความจริงฝืนหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตัสรู้เห็นว่าเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาสภาวะธรรมทั้งปวง นั้นไม่มีตัวตนไม่มีเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยเมื่อมีเหตุก็จะมีผลตามมาเช่นเมื่อมีการผสมพันธุ์ก็จะมีการตั้งคันเมื่อมีการตั้งคันและมีจิตมามาปฏิสนธิมาครอบครองก็จะมีการคลอด แล้วก็จะมีการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมาเมื่อเจริญเติบโตแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องแก่ลงไปชราภาพลงไปจนในที่สุดก็จะต้องตายไปพอตายไปธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันเพราะร่างกายนี้ทํามาจากธาตุทั้งสี่คืออาหารที่รับประทานเข้าไปน้ําที่ดื่มเข้าไป ลมหายใจที่หายหายเข้าไปสิ่งเหล่านี้เป็นท่าทํ้งนั้นเมื่อมารวมตัวกันในร่างกายก็มาทำให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายนี้มีเพียงอาการสาวสบสองท่านั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเราไปสมมุตริร่างกายนี้เองว่าเป็นพ่อ เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเราเป็นสามีเป็นภรรยาความจริงแล้วเป็นเพียงอาการสาสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเพียงเท่านี้มาจากนิ่น้ำลมไฟแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทำงานหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันไปนี่คือ ความจริงที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นกันหรือไม่พิจารากันหรือเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาก่อนนั่นเองแต่ถ้าได้ฟังธรรมแล้วนาเอาไป ป, ปฏิบัติในเบื้องต้นทาใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาที่จะทำให้เห็นความจริงอันนี้ได้เมื่อเห็นความจริงอันนี้ได้แล้วก็จะปล่อยวางร่างกาย จะไม่ยึดไม่ติดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจะไม่ยึดติดกับร่างกายของคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นเป็นเพียงสมมุติเจ้าของของร่างกายแต่ละคนนั้นเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นร่างกายเขาเป็นเหมือนผมเหมือนเราที่มาครอบครองร่างกายนี้ไว้ชั่วคราวพอร่างกายนี้ดับไป ใจคือเรานี้ก็ไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปตามบุญตามกรรมของเราต่อไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเราไปอบายไปสู่นรกถ้าเรามีปัญญาและปล่อยวางได้ตัดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องไป เกิดใหม่อีกเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่ก็คือความอยากนี้เองความอยากนี้ก็มีสามประการด้วยกันคือ 1. กามตันหาความอยากในรูปสีกลิ่นรสโผฏภพสองภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นสวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือ ตันหาความอยากที่เป็นตัวผลักดันให้จิตนี้ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆเมื่อร่างกายนี้ดับไปจิตที่ยังมีตันหาอยู่ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือต่อเหมือนกับคนที่ยังต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้ารถคันเก่าเสียไม่สามารถใช้งานได้ก็ต้องไปซื้อรถคันใหม่มาใช้แทน พอยังต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าไม่มีความอยากหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อรถยนต์คันใหม่ฉันใดใจของพระพทธเจ้าและใจของพระอรหรันตสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นใจของท่านนานั้นได้รับการอบรมสั่งสอน จนสามารถตัดความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้แล้วมีความสุขอยู่ภายในใจเต็มที่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากทางร่างกายจากทางรูปเสียงกิ่นโลดลพระชนิดต่างๆก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า การเกิดนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพัดพราคจากกันแลนะไม่มีใครอยากจะทุกข์แนละเมื่อรู้ว่าการการที่จะไม่ทุกข์นี้ก็คือการไม่เกิดแลนะการไม่เกิดก็คือการตัดตันหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจพอรู้อย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติ ด, ดังนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดความอยากทั้งสามนี้หมดไปพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ทำเช่นเดียวกันจนในที่สุดใจของท่านก็ไม่ต้องไปคว้าหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ยินได้ฟัง พอทาคำสอนของพระพระเจ้าเราจะได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือถ้าว่าเราเคยฟังมาแล้วถ้าเรามาฟังซ้ำอีเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นฟังครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจยังฟังไม่ชัดแต่หลังจากที่เราเอาไปค่ายควรพิจารณาเราเอาไปปฏิบัติทาจิตใจของเราให้สงบพอกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นและอาจจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้เลยนี่คืออ น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นแล้วก็จะกําจัดความสงสัยไปได้เมื่อก่อนเราอาจจะสงสัยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอทําไมไม่ใช่ตัวเราในเมื่อเรา รู้สึกว่ามั น, เ ป, นเป็นตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดเลย mm hmm. ก็เพราะว่าเราไม่เคยแยกกายออกจากใจนั่นเองเราไม่เคยทำสมาธิกันถ้าเราทำสมาธิแล้วเราจะเห็นกายกับใจนี้แยกออกจากกันชั่วคราวเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นคนหนึ่งใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งแต่เวลาออกจากสมาธินี้กายกับใจนี้จะมารวมกันเป็นคนเดียวนั่นเอง เหมือนน้ำกับขวดน้ำนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราเทน้ำออกจากขวดมาเราก็จะเห็นว่าอาน้ำกับขวดน้ำนี้เป็นคนละส่วนกันแต่เวลาที่น้ำอยู่ในขวดน้ำนี้เราจะมองไม่ออกเราจะคิดว่าเป็นส่วนเดียวกันฉันใดเวลาที่ร่างกายกับใจนี้อยู่ในสภาพปกติอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ จะรู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เวลาที่เข้าสู่สมาธินี้กายกับใจนี้จะแยกออกจากกันจะเห็นได้อย่างชัดเลยดังนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จำเป็นจะต้องคอยสอนใจคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงบินน้ำลมไฟ เป็นเพียงอาการ32สองเป็นเป็นเป็นร่างกายที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะดับความหลงหรือป้องกันความหลงที่จะไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้พอป้องกันได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนผมจะขาวก็ไม่เดือดร้อนหนังจะเหี่ยวก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยชนิดต่างๆก็จะไม่เดือดร้อนและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายไปก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าใจมีธรรมะมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองความเห็นที่ถูกต้อง ทำให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของที่ยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เจ้าของจะมาเอาคืนไปหรือเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเอาไปคืนเจ้าของเจ้าของเราก็พร้อมที่จะขึ้นคืนไป ท, ทันทีนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่พวกเราจะต้องพิจารณากันอยู่เรื่อย<ม>ๆพิจารณากันอยู่บ่อยๆ แล้วเราจะได้ไม่ไ ป, ปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราณเมื่อถึงเวลาที่จะคืนเขาไปเราจะคืนได้อย่างสบายอกสบายใจกับดีใจเสียอีกเพราะจะได้หมดภาระยืมของเข้ามาก็ต้องคอยดูแลรักษาเพราะกลัวจะหายหรือกลัวจะเสียเพราะเมื่อหายหรือเสียเราก็ต้องไปซื้อของมาทดทดแทนให้เขานั่นเองเช่นเราไปยืมรถเขามาใช้อย่างนี้ เราก็ต้องกังวลว่ารถของเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าหรือจะถูกขโมยไปแต่พอเราคืนรถให้กับเจ้าของไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไปฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาระหนักของจิตใจเวลามีร่างกายแล้วจะมีความรู้สึกหนักอกหนักใจ ก็จะต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยห่วงแต่พอไม่มีร่างกายแล้วก็จะสบายใจไม่ต้องมีสิ่งที่มาคอยต้องคอยดูแลอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาระฮเวปันจากขันธาขันห้านี้เป็นภาระอันหนักอย่างยิ่งขันห้าก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสางขานวิญญาณ ร่างกายนี้เป็นภาระอันหนักอย่างยิ่งเพราะเรานอกจากต้องคอยดูแลแล้วเรายังต้องทำนุบำรุงด้วยการให้อาหารให้น้ำให้อากาศหาเสื้อผ้ามาใส่หาที่อยู่อาศัยแล้วต้องมียารักษาโรคนี่คือภาระของใจที่ต้องมีต่อร่างกายพอไม่มีร่างกายแล้วก็หมดปัญหาหมดภาระต่างๆเหล่านี้ไป อยู่อย่างสบายใจนี้ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้เหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิตอนนั้นก็เหมือนกับไม่มีร่างกายในขณะที่ไม่มีร่างกายใจอยู่ในความสงบกับมีความสุขยิ่งกว่าในขณะที่ออกมาสัมผัสรับรู้กับร่างกายสัมผัสกับรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะจะต้องคอยดูแลคอยรักษาคอยป้องกัน แต่ดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรป้องกันอย่างไร <c oughs> ก็ไม่สามารถฝืนกฎธรรมชาติแต่ได้ที่ที่จะต้องเสื่อมจะต้องหมดไปในที่สุดดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอามาปฏิบัติเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆในเบื้องต้นนี้ต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อน เพราะถ้าใจไม่สงบแล้วสอนไปใจก็จะดือ้อไม่ไม่ฟังรู้บอกว่าไม่ใช่ของเราก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังเพราะว่ากิเลสนี้มีกำลังมากกว่านั่นเองแต่ถ้าเราทำจิตใจให้สงบได้แล้วใจจะมีกำลังมากกว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงพอบอกว่าไม่ใช่ของเราพอบอกว่าเป็นทุกข์เท่านั้นก็จะปล่อยวางจะไม่อยากได้จะไม่อยากมี นี่คือการที่เราได้มาวัดในวันพระซึ่งถือว่าเป็นมงคลก็เพราะว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เป็นมงคลและอนิสงส์ก็จะเป็นความสุขและความเจริญที่จะตามมาความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปจากใจตามลําดับและหมดไปในที่สุดนี่คือ ความเป็นมงคลที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่การร่มรวยอยู่ที่การเจริญด้วยลาบยศเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อ ย, อยู่อยู่ที่การเจริญในธรรมในมรรคผลนิพพานนี้เองเพราะว่าเป็นความสุขเป็นความดับทุกข์ที่แท้จริงและถาวรนจึงขอฝ่าเรื่องของการมาวัดใน วันพระนี้ในวันที่เป็นมงคล น, นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระีวัฒนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแารปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ